ทำบุญเยอะและพูดคำจริงข้างในจะเป็นเทวดาที่มีบุญทำบุญเยอะและพูดคำเท็จข้างในจะเป็นปีศาจที่ถืออำนาจบาทใหญ่บุญเป็นพลังสว่างมีอำนาจบัรดาลความรุ่งเรืองแต่เป็นของกลางๆอยู่ข้างคนดีก็ได้อยู่ข้างคนชั่วก็ไม่ขัด ทำบุญเยอะและพูดคาที่เป็นจริงเสมอข้างในจะเป็นเทวดาที่มีบุญทำบุญเยอะและมันพูดคำที่เป็นเท็จข้างในจะเป็นปีศาจที่ถืออำนาจบาตใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพูดเท็จทั้งรู้แก่ใจว่าไม่จริงยอมทำชั่วได้ทุกชนิดคำเท็จจึงน่าจะได้ชื่อว่าเป็นบอ่อเกิดของความชั่วทั้งปวง ให้ทานมากแต่ไม่คิดรักษาศีลเท่ากับทาทุนไว้สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและคนอื่นอย่างมหันต์มายเหตุผ<ม>ู้อ่านสำหรับการทำบุญโดยเฉพาะการทำทานคือการให้การบริจานั้นเมื่อบุญให้ผลส่งเป็นลาบยศสรรเสริญมาให้ ไม่ว่าจะให้ผลทันในชาตินี้หรือออกผลในชาติหน้าก็มีโอกาสรวยมีชื่อเสียงหรือมีอํานาจมากนะครับและเมื่อไม่เคยรักษาศีลมาก่อนก็จะทําให้ก่อบาปก่อกรรมทําผิดได้หลายอย่างทั้งเกิดโทษแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นด้วยฐานของอํานาจเงินบุญบา ร, รมีที่เกิดจากการทําบุญทําทานไว้ก่อนนั่นเองดังนั้นการทําบุญที่ดีจึงควรมีครบทั้งสมด้านคือทานศีลภาวนา อันจะนำสุขประโยชน์มาให้อย่างแท้จริงนะครับ